รักบรรดา น, นิทานสีขาวดออรอาจองชุมสายณนะ์อายุทยาเรื่องฟานซิทผู้ไม่เคยแก่งแย่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านลอแรงหมู่บ้านนี้มีประชากร อ, อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรอยู่มาปีหนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจึงไม่อาจปลูกพืชผักได้ และพืชผักเดิมที่พอจะมีเหลือติดพื้นดินอยู่บ้างก็พากันเหี่ยวแห้งเฉาตายไปตามๆกันภัยแรงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักในหมู่บ้านผู้ที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นคนยากจนและเด็กๆซึ่งพากันร้องไห้กระจององอแงเพราะความอดอยากหิวโหวยจนดังระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กาลังตกอยู่ในวิกฤตก็มีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่ง เดินทางผ่านนายังหมู่บ้านนี้พอดีเศรษฐีคนนี้เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กๆ ก, ก็เกิดความเวทนาสงสารเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อสอบถามชาวบ้านจนได้ใจความแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีใจบุญจึงตัดสินใจแวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆและชาวบ้านที่กาลังเดือดร้อนดังนั้นเศรษฐีใจบุญจึงเข้าพบผู้นาหมู่บ้าน แล้วถามว่าตัวเขาเองพอจะช่วยอะไรคนในหมู่บ้านนี้ได้บ้างเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือท่านเศรษฐีแต่หากท่านมีใจจะช่วยพวกเราก็ขอเพียงให้ท่านช่วยบรรเทาความอดอยากหิวโหยของเด็กๆ ก, ก่อนส่วนปัญหาอื่นนั้นทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเราในไม่ช้าผู้นาหมู่บ้านกล่าวกเกษตรี่ใจบุญอย่างซาบซึ้งใจ ถาอย่างนั้นวานท่านผู้นำจงช่วยเป่าประกาศแก่เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยว่าทุกๆเช้าขอให้เด็กยากจนทุกคนไปรอฉันอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์แล้วฉันจะนำขนมปังมาแจกจ่ายแก่พวกเขาทุกวันจนกว่าทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเศรษฐีใจบุญกล่าวเมื่อข่าวนี้ประกาศไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ปรากฏว่ามีเด็กๆมารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเป็นจำนวนมากและทันทีที่เด็กๆเห็นถุงใส่ขนมปังพวกเขาก็กรูกันเข้ามาแย่งชิงขนมปังโดยไม่ฟังอิราค่าอีรมใดๆแม้เศรษฐีใจบุญจะบอกให้ทุกคนใจเย็นๆแต่เด็กๆเหล่านี้อดอยากมานานและอยากได้ขนมมาประทังความหิวหูงตนโดยเร็วดังนั้นจึงไม่มีใครฟังคาขอร้องของเศรษฐีใจบุญเด็กบางคน แอบหยิบขนมปังไปมากกว่าหนึ่งชิ้นบางคนผักเพื่อนให้พ้นทางตนบางคนดึงถึงผมคนข้างหน้าและบางคนถึงกับชิงเอาขนมปังจากคนที่ได้ก่อนไปหน้าตาเฉยการแจกขนมปังเป็นไปด้วยความวุ่นวายและไร้ระเบียบเป็นที่สุดแต่เศรษฐีใจบุญก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเด็กๆเขาเข้าใจดีว่าความหิวทําให้เด็กทุกคนต้องเอาตัวรอด แล้วตอนนั้นเองเศรษฐีใจบุญก็เลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนมองเพื่อนๆแย่งขนมปังอยู่นอกกลุ่มและไม่ได้มีทีท่ากระวนกระวายอยากได้ขนมปังเหมือนคนอื่นๆเศรษฐีใจบุญรู้สึกแปลกใจจึงเดินไปหาเด็กหญิงแล้วถามว่าหนูไม่อยากกินขนมปังบ้างหรือเด็กหญิงเงยห น, น้าซีเซียของเธอขึ้นมองเศรษฐีใจบุญแล้วยิ้มน้อยก่อนจะตอบว่าหนูอยากรับประทานขนมปังค่ะ ขนูหิว ม, มากเหลือเกินแต่หนูไม่อยากเข้าไปแย่งชิงขนมปังกับคนอื่นๆมันไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำร้ายกันเพียงเพราะขนมปังแค่ชิ้นเดียวแล้วเด็กเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนเล่นของหนูทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อเด็กคนอื่นๆได้ขนมปังและถอยออกไปจนหมดแล้วเด็กหญิงจึงค่อยๆเดินเข้าไปและหยิบขนมปังชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ออกมาจากก้นถุง หนูชื่ออะไรจ๊ะแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเศรษฐีใจบุญถามด้วยความรู้สึกสนใจในตัวเด็กหญิงหนูชื่อฟรานซิสค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนในบ้านเช่าใกล้ๆ ก, กับโบสถ์นี่เองแม่ของหนูเป็นคนรับจ้างทําความสะอาดบ้านค่ะเด็กหญิงตอบพร้อมกันนั้นก็ได้กล่าวคําขอบคุณแกเ่เศธถีใจบุญที่ให้ความเมตตาช่วยบรรเทาความหิวให้แก่ตนและเพื่อน จากนั้นเด็กหญิงก็กลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นเด็กๆ ก, ก็มารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญหน้าประตูโบสถ์อีกเมื่อเศรษฐีมาถึงเด็กๆ ก, ก็พากันกรูเข้าไปแย่งขนมปังและคะเลาะต่อยตีกันเป็นที่วุ่นวายอีกเช่นเคยเศรษฐีใจบุญมองหาฟรานซิสและพบว่าเธอยังยืนรอให้เพื่อนๆหยิบขนมชิ้นโตๆไปก่อนเหมือนเดิม เศรษฐีใจบุญมองดูเธอเดินเข้าไปหยิบขนมชิ้นเล็กที่สุดออกมาเป็นคนสุดท้ายจากนั้นจึงเดินเข้าไปคุยกับฟรานซิสวันนี้หนูก็ได้ขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเคยนะดูดีๆแล้วฉันว่ามันเล็กกว่าชิ้นเมื่อวานได้ซ้ำไปแล้วอย่างนี้หนูจะพอกินเหรอเศรษฐีใจบุญถาม เท่านี้ก็พอแล้วค่ะท่านเศรษฐีขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่กรุณาเมตตาพวกหนูวันนี้หนูมีความสุขมากที่ได้รับความเมตตาจากท่านฟรานซิสกล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านโดยมีเศรษฐีมองตามไปด้วยความเอ็นดูวันต่อมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังเดิมเด็กๆยังคงแย่งขนมปังกันส่วนฟรานซิส ก็ยืนรอขนมปังชิ้นเล็กที่สุดที่เหลือเป็นชิ้นสุดท้ายเด็กหญิงกล่าวขอบคุณเศรษฐีใจบุญแล้วเอาขานมปังกลับบ้านเหมือนเช่นเคยเหตุผลที่ฟรานซิสไม่เคยกินขนมปังทันทีที่ได้และเอากลับมาที่บ้านก่อนทุกครั้งนั้นเป็นเพราะเธอมีใจนึกถึงแม่ซึ่งต้องทำงานหนักและมีความหิวเช่นเดียวกับเธอดังนั้นฟรานซิสจึงไม่กินขนมปังที่ได้คนเดียว แต่เธอจะนำกลับมาให้แม่กินก่อนแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงบ้านฟรานซิสเข้าไปกราบแม่และส่งขนมปังที่ได้รับมาให้แก่แม่ของเธอมากินขนมปังด้วยกันสิลูกแม่ของฟรานซิสบอกลูกสาวเมื่อเห็นเธอไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ตรงมุมห้องแม่กินเธอจ้ะลูกเบื่อขนมปังแล้วแล้ววันนี้ลูกก็ไม่หิวเลยฟรานซิส ตั้งใจปดแม่เพราะเธอเห็นว่าขนมปังที่ได้รับในวันนี้มีขนาดเล็กมากเหลือเกินหากแบ่งกันกินก็เกรงว่าแม่ของเธอจะไม่อิ่มอย่ากโกหกแม่เลยฟรานซิสลูกไม่มีวางเบื่อขนมปังหรอกเพราะนี่คือสิ่งที่ลูกชอบมากที่สุดมาเถอะลูกมานั่งกินขนมปังชิ้นนี้ด้วยกันแม่ของฟรานซิสกล่าวแก่ลูกสาวอย่างรู้ทันพร้อมกับบีขนมปังออกเป็นสองชิ้น แ, แล้วฟรานซิสกับแม่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเหรียญทองคําเหรียญหนึ่งตกลงมาจากขนมปังชิ้นนั้นมีเหรียญทองคําอยู่ในขนมปังได้อย่างไรจ๊ะแม่ฟรานซิสถามแม่ด้วยความตกใจท่านเศรษฐีคงเผลอทําตกไประหว่างที่กําลังดูเขาทําขนมลูกจงเอาเหรียญทองคํานี้กลับไปคืนท่านเถิดแม่ของฟรานซิสบอก ฟรานซิสจึงไปตามหาเศรษฐีใจบุญและคืนเหรียญทองคําให้แก่เขาแม่ของหนูบอกว่ามันอาจจะตกไประหว่างการทำขนมปังนะคะเธอกล่าวด้วยสีหน้าแล้วแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์การกระทำของหนูทำให้ฉันประทับใจมากเหรียญทองคํานี้ฉันตั้งใจใส่ลงไปเองเพื่อเป็นของขวัญที่หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทและไม่แย่งขนมกับเพื่อน เศรษฐีกล่าวพร้อมยื่นเหรียญทองคําอีกมากมายให้แก่ฟานซิสและกล่าวต่อว่าจงนําเหรียญทองคําเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของหนูและแม่เธอและจงรักษาความดีเหล่านี้ให้อยู่กับตัวหนูตลอดไปฉันเชื่อว่าด้วยความดีทั้งหมดของหนูจะทําให้หนูเติบโตเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน เธอทั้งหลายมีตัวอย่างให้เห็นกันมามากแล้วว่าการขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอนเองด้วยการแข่งแย่งทำร้ายกันนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีใ ด, ดเลยเธออยากได้สิ่งเหล่านั้นถึงขนาดยอมทำร้ายหัวใจตนเองและเข่นฆ่าความสุขของผู้อื่นเลยหรือถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เธอได้มาจะมีความหมายอะไร คนที่ได้อะไรมาด้วยการแย่งชิงนั้นแม้จะได้รับชัยชนะจากการเป็นผู้ครอบครองแต่เขาจะไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นไปนานนักหรอกในไม่ช้าเขาก็จะต้องเริ่มไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่คิดว่ามีค่า ย, ยิ่งกว่าต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสำคัญผิดไปว่าจะสามารถถมความต้องการที่ไม่มีวันเติมให้เต็มของตนเองได้ ผิดกับคนที่รู้จักการรอคอยและทำใจให้รู้จักพอกับสิ่งที่ได้มาแม้จะไม่เคยแก่งแย่งแข่งขันกับใครแต่การรอคอยอย่างมีสติจกนำพาสิ่งที่ต้องการมาอยู่ในครอบครองของเขาในที่สุดแม้สิ่งที่ได้มาอาจจะดูน้อยค่าเหลือเกินในความคิดของผู้อื่นแต่การรอคอยจะสอนให้เขารู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับ และความรู้จักพอก็จะสอนให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่ได้รับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเขาเสมอโดยผู้ที่รู้จักทั้งการรอคอยและรู้จักพอกับสิ่งที่ตนได้มานั้นย่อมเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนมีและไม่ปรารถนาที่จะไขว่คว้าหาสิ่งเกินจำเป็นอื่นใดเพื่อมาเติมเต็มความต้องการของตนเองอีกต่อไป c o n d